สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้ผมในายทกรคุณชอบเล่าจะขอหยิบยกประสบการณ์จากท่านสมาชิกมาถ่ายทอดให้ได้รับฟังกันต่อนะครับเรื่องราวจากท่านสมาชิกมีหลากหลายแนวมากครับบางเรื่องก็สั้นบางเรื่องก็ยาวผมก็จะจับที่สั้นๆมามัดรวมกันส่วนตอนไหนที่ยาวๆก็จะทําเป็นตอนเดียวก็ใจเย็นๆกันนะครับสําหรับท่านที่ส่งเรื่องเข้ามาแล้วผมจะทยอยจัดตามคิวนะครับ ส่วนคลิปนี้จะเป็นเรื่องราวของคุณศักชั ย, ยบุญใสท่านสมาชิกที่ส่งเรื่องราวแปลกๆมาให้ผมได้ถ่ายทอดต่อจะแปลกยังไงลองฟังกันดูครับเรื่องราวของผมมันมีอยู่ว่าในช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตผมเคยได้เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาของเธอนั้นออกแนวเป็นคนน่ารักและที่ผมได้เจอกับเธอนั้นก็เพราะว่าเธอคนนั้นได้ติดตามน้าของเธอขึ้นมาเลี้ยงหลานของน้าผมและมันก็เป็นไปตามธรรมชาติของผู้ชาย เมื่อเจอสาวน่ารักก็ต้องชอบทั้งๆ ท, ท, ที่รู้ว่าเธอก็มีรุ่นพี่อีกคนหนึ่งที่คบกันอยู่แต่จด้วยสเสน่ห์ของผมหรือว่าฟ้าบันดาลก็ไม่ทราบได้เมื่อผมเผยทีท่า ว, ว่าชอบและจีบเธอเธอเองก็ตอบสนองเล่นด้วยก็กลายเป็นว่าตัวเธอเองก็คบกับผมไปด้วยในช่วงระยะเวลาที่เราเจอกันเพียงสั้นๆเหมือนว่าจะไว้เป็นตัวเผื่อเลือกและเมื่อมาถึงช่วงสงกรานต์เธอคนนั้นก็กลับไปบ้านที่ขอนแก่นจากนั้นเธอก็กลับขึ้นมาเลี้ยงหลานที่นนทบุรี ในช่วงนั้นเวลานั้นผมกับเธอได้คุยกันและความสัมพันธ์ของเราก็ล้ําลึกแน่นแฟนยิ่งขึ้นแต่หลังจากผ่านช่วงเวลานั้นไปเธอก็เลือกอีกคนหนึ่งความรู้สึกของผมเหมือนโดนทิ้งไว้กลางทางแบบว่าเสียใจอกหักว่างั้นเถอะช่วงนั้นก็ได้จะอยู่กับตัวเองและให้เวลารักษาใจจนเวลาผ่านไปสักพักผมก็เริ่มทําใจได้เหมือนว่ามันจะลืมเธอได้และมีอยู่วันอาทิตย์หนึ่งเป็นวันจุดงานของผม ผมเดินทางไปนั่งเล่นที่ห้องของพี่ที่ทํางานด้วยกันตอนนั้นเป็นเวลาประมาณ5้าโงเช้าได้ผมมีความรู้สึกง่วงมากอยากจะนอนก็เลยว่าจะเดินทางกลับและระหว่างทางที่ผมต้องขับรถกลับนั้นสายตาของผมก็ต้องไปเห็นภาพเป็นบาดตาบาดใจอีกก็คือผมขับรถผ่านหน้าเธอกับแฟนของเธอแต่ก็ยิ่งว่าแหละมันจบไปแล้วผมเลยตั้งหน้าตั้งตาขับรถกลับห้องพักเลยดีกว่าและเมื่อมาถึงห้องด้วยความเพลียเข้าห้องได้ปิดห้องก็นอนหลับเลย ไม่รู้เหมือนกันว่าหลับเป็นนานเท่าไหร่แต่ผมก็มาสะดุ้งตื่นระหว่างที่นอนตาปลืออยู่นั้นผมก็เห็นอะไรแวบๆแถวหน้าประตูห้องมันเป็นเหมือนเงาที่กําลังคืบคลานเข้ามาผมก็รีตามองจนเห็นว่ามันเข้ามาในห้องได้แล้วมีลักษณะคล้ายกันมากเหมือนเธอคนที่หักอกผมเจ้าเงาเงานั้นจู่ๆมันก็กระโดดเข้ามาที่ตัวผมเฮ้ยอะไรเนี่ยผมรู้สึก ง, งงมากเจ้าเงาเงานั้นมันไม่ได้ขึ้นมานั่งทับเปล่า มัะระล่มจูบลงมาที่ตัวผมและเลียที่หูที่คอผมตกใจมากงงมากเพราะไม่เคยเจออะไรอย่างนี้มาตั้งแต่เกิดเอาไงดีผมถามตัวเองนึกได้ผมก็บวชเพิ่งศึกได้ไม่นานก็เริ่มท่องคาถาและสวดมนต์เท่าที่จะจําได้ผมสวดไปมันก็ยังเลียต่อไปนั่นหมายความว่ามันไม่ได้ผลมันยังคงปฏิบัติกิจของมันอยู่สวดมนต์ก็ไม่ไปดิ้นก็ดิ้นไม่ได้ผมจึงค่อยๆรวบรวมสติเท่าที่มีแล้วก็นึกถึงหลวงปูท่ทวดที่แขวนไว้ที่หัวนอนให้ช่วยด้วย มหัศจรรย์ผมคิดเพียงแค่นั้นเจ้าเงาเง า, เงานั้นก็ค่อยๆคลายออกจากตัวผมแล้วก็มันนั่งอยู่ข้างๆกับตัวผมจากนั้นมันก็ค่อยๆจางหายไปผมเหนื่อยมากและก็ง่วงอยู่แล้วก็เลยหลับต่อเหตุการณ์เหตุการณ์นั้นผ่านไปได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ตัวผมมีเวรต้องเข้างานกะเช้าเข้าสองโมงเลิกสองทุ่มเมื่ออาทิตย์ก่อนผมเจอตอนกลางวันแต่ครั้งนี้มันมาตอนกลางคืนลักษณะคือมาแบบเดิมค่อยๆคลานมาจากประตู กระโดดขึ้นคอมแล้วก็มาระดมจูบมะเลียตามคอตามตัวและผมก็ใช้วิธีเดิมเพื่อขับไล่ออกไปซึ่งก็ได้ผลแล้วก็ยังมีครั้งที่3อีกผมรู้สึกเหนื่อยมากๆกับทั้ง3ครั้งที่เกิดขึ้นแต่ที่ผ่านมาทั้ง3ครั้งนั้นมันไม่เท่ากับครั้งที่4ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมได้เจอครั้งนั้นผมเกือบเอาชีวิตแทบไม่รอดเงานั้นมาแบบเดิมคลืบคลานมาจากประตูห้องเมื่อผมมองเห็นมันก็กระโดดเข้าใส่เหมือนเดิม มากอดมาจูบมาเลียแต่ครั้งนี้ที่ผมเบื่อเกือบไม่รอดก็เพราะผมเกิดอาการเคลิ้มเหมือนตกอยู่ในผวังมันจูบมาผมก็จูบกลับขออนุ ญ, ญาตที่จะบอกว่าเป็นการจูบเป็นอย่างเมามันและระหว่างที่จูบกันอยู่นั้นเจ้าเงานั้นก็ทําท่าเหมือนจะดูดอะไรออกจากปากของผมผมรู้สึกได้ว่ามันไม่ปลอดภัยรู้สึกเหมือนวิญญาณจะโดนดูดเอาออกไปผมตั้งสติระหว่างที่มันกำลังจะดูวิญญาณของผมนั้น ผมยกมือทั้งสองขึ้นจับไหล่ของเงานั้นแล้วก็บอกมันว่ามึงไม่ใช่อ้อยได้ผลเจ้าเงานั้นตกใจแล้วก็หายวับไปต่อหน้าต่อตาออผมลืมบอกไปครับเพราะเธอคนที่หักอกผมนั้นชื่ออ้อยเมื่อผ่านพ้นเหตุการณ์นั้นไปได้ประมาณสองวันผมทนไม่ไหวผมจึงได้ไปถามอ้อยว่ามันคืออะไรเธอถามผมกลับหน้าตาเฉยเพราะว่ามันไปหาพี่ด้วยเหรอ น, น่ะมันไม่ใช่อ้อยมันเป็นเพียงแค่วิญญาณที่เป็นในร่างของเธอเธอบอกว่ามันเกิดจากนวนหรือที่เรียกอีกชื่อว่าขี้พึ่งที่เธอเอาไว้ทาปากและคนรักคนหลงอ๋อผมถึงบางอ้อเลยมิน่าผมถึงได้หลงอยู่ในคําพูดของเธออยู่เป็นพักครับและนี่ก็คือประสบการณ์แปลกๆของผมก็ผ่านไปหนึ่งเรื่องของคุณศักชัยอยู่บนสายนะครับทีนี้ก็มาฟังเรื่องราวจากคุณทั ญ, ญพิสิทธ์บ้างนะครับท่านสมาชิกอีกท่านหนึ่งของทกกรคนชอบเล่า คุณทันเล่าว่าผมเป็นวิศวกรที่บริษัทแห่งหนึ่งในกรุงเทพแต่บ้านเกิดของผมนั้นเกิดที่โคราชครับเรื่องแปลกของผมก็คือเรื่องของพระล อ, อยได้แค่ฟังนี่ก็ไม่น่าเชื่อแล้วใช่ไหมครับเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อตอนที่ผมอายุประมาณ 9-10 บขวบปัจจุบันผมอายุ35ปีวันนั้นน่าจะเป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เพราะว่าเป็นวันที่โรงเรียนหยุดเราก็หมายถึงผมกับเพื่อนๆก็วิ่งเล่นกันตามระษาเด็ก ซึ่งเพื่อนที่เล่นด้วยก็คือญาติๆนี่แหละอายุไล่เลี่ยกันประมาณ5้ถึงหคนตอนนั้นจําได้ว่าพวกเราน่าจะเล่นจำบ้ากันจำบ้าก็คือคนไหนที่ได้รับบทเป็นคนบ้าก็วิ่งแล่แต่คนอื่นถ้าใครโดนแตะคนนั้นก็เป็นบ้าแทนซึ่งกระดูว่าเป็นการเล่นที่ยุติธรรมดีนะครับเล่นกันอยู่5้าหคนก็เปลี่ยนกันบ้าไปเรื่อยๆช่วงที่เราเล่นกันนั้นช่วงนั้นเวลาประมาณบ่ายหน่อยๆกลุ่มของพวกผมก็ต้องหยุดการเล่นลง เพราะว่าพวกผมเห็นสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งแปลกประหลาดมากสิ่งสิ่งนั้นก็คือพระพุทธรูปกำลังลอยมาลอยสูงจากพื้นดินประมาณ 2-3 ถึงเมตรเป็นพระปางสมาธิสูงประมาณ150เซนติเมตรผมสบายสีขาวบางๆตอนที่เห็นทีแรกนั้นพวกเราทุกคนอุทานพร้อมกันเลยว่าเฮ้ย <c oughs> พระพระพระเสียงเอตโรรของเราทำให้ผู้ใหญ่ที่เป็นนาๆของเราพากันวิ่งเข้ามาดูพวกเราไม่ได้ตาฝาดพระพวกผู้ใหญ่ก็เห็นด้วย พวกผู้ใหญ่พยายามจะเอาไม้สอยลงมาแต่องค์พระก็ยิ่งลอยไปข้างหน้าและเพิ่มความเร็วสูงขึ้นเรื่อยๆพระองค์นั้นลอยมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกซึ่งเป็นจังหวัดบุรีรัมย์พวกเด็กอย่งผมก็ได้แต่ตกตะลึงส่วนผู้ผู้ใหญ่ก็ทำท่าเสียดายมากพอพูดถึงเรื่องนี้ทีไรพวกผู้ใหญ่ก็เซ็งไปตามๆกันด้วยเพราะไม่อยากได้มากเรื่องนี้ตัวผมเองก็ไม่ค่อยพูดให้ใครฟังนักเพราะว่าถ้าเล่าไปก็ไม่มีใครเชื่อและผมเล่าไปก็ไม่ได้ทำให้เรามีเงินขึ้นมา แต่ที่ครั้งนี้ผมอยากจะเล่าก็เพราะว่าไม่อยากให้เรื่องนี้หายไปตามการเวลาผมขอยืนยันว่ามันเป็นเรื่องจริงอํานาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมเคยประสบมาทีนี้ผมจะขอเล่าเรื่องผีอำบังนะครับเรื่องมันมีอยู่ว่าเมื่อตอนผ ม, มาอายุ23ปีผมได้ไปทํางานเป็นช่างที่ฟาร์มไก่แห่งหนึ่งในโคราชก่อนที่ฟาร์มไก่จะเปิดก็มีช่างรับเหมาสมคนโดนยิงตายตรงหน้าห้องที่ผมพักตอนนั้นผมก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่ากลัว เพราะว่ามีเพื่อนพนักงานอยู่ห้องติดติดกันอีกเยอะแต่เรื่องของความเฮี้ยนของวิญญาณ น, นี้ก็มีคนงานสตวบานเห็นกันบ่อยไม่เห็นแล้วก็นํามาเล่าให้ฟังกันอย่างสนุกสนานหลังเลิกงานหรือแม้กระทั่งที่กินข้าวด้วยกันไอตัวผมนั้นด้วยความขนองก็พูดไปว่าผีเนี่ยเจอกันหมดเลยนะยกเว้นแต่ช่างคนเดียวที่ไม่เคยเจออะไรอ่ะปรากฏไม่ได้ผลคืนนั้นก็เลยโดนเหยียบหน้าอกเลยอาศัยดวงตาที่หลีมองในความมืดเห็นตีนของใครคนนึ่งมาเหยียบที่ยอดอก เหลือไปข้างนอกเห็นมีอีกคนหนึ่งยืนอยู่ต้องเป็นผู้รับเหมาที่โดนยิงตายสองคนแน่ๆระหว่างที่โดนเหยียบน้าอกอยู่นั้นผมกลับไม่มีความรู้สึกว่ากลัวแต่มีความรู้สึกเหมือนว่ากําลังชกต่อยกับผู้ชายธรรมดาในใจก็คิดว่าเดี๋ยวจะคว้ามือคนนี้ก่อนแล้วค่อยออกไปจัดการในคนข้างนอกแต่จนแล้วจนเล่าเวลาก็ผ่านไปอย่างเนิ่นนานผมก็สู้ไม่ได้จากใจที่ฮึกเหิมตอนนี้เริ่มจะกลายเป็นกลัวในติ่งลึกของความนึกคิดและสํานึกนั้นมันถามว่าเราจะตายไหมวะ เมื่อถอดใจและความกลัวเข้ามาประดังเต็มที่ความเย็นเยือยความเสียวสหลังทุกอย่างก็เข้ามารุมบรรยากาศที่อึดอัดเหงื่อที่แตกท่วมตัวก็เลยเริ่มสวดมนต์อรหังสัมมาสวดผิดสวดถูกท่องน้โมตะสะก็แล้วก็ไม่ยอมออกก็เลยท่องพุทโธมั่งคราวนี้ออกแฮะสิ่งที่อยู่บนอกและอยู่ข้างนอกหายไปและผมก็สามารถขยับตัวได้ลุกขึ้นจากนั้นก็วิ่งตามหามันคนบ้าปากก็ร้องตะโกนไหนไหนมึงอยู่ไหนออกมา แน่ยังทำเก่งนะตอนนั้นเสียงผมร้องดังจนลุงห้องข้างๆได้ยินแกก็เลยถามว่ามีอะไรเกิดอะไรขึ้นผมก็เลยเล่าให้แกฟังพอแกได้ฟังเท่านั้นแหละแกก็หัวเราะชอบใจใหญ่เลยแล้วแกก็บอกว่านั่นแหละไปพูดเหมือนท้าเขาเขาก็เลยมาและหลังจากนั้นผมก็ไม่เคยเจออีกเลยจะมีก็แค่ตอนที่เพื่อนมาหามันโดนอั้มมันด่าผมใหญ่เลยมันบอกว่าเรียกตั้งนานทำไมไม่ช่วยมันและหลังจากนั้นมันก็ไม่มานอนที่ห้องผมอีกเลย อาต่อเนื่องอีกหน่อยหลายคนมักจะบอกว่าผีอั้มก็คือสภาวะที่สมองตื่นแต่ร่างกายไม่พร้อมแต่สําหรับผมผมว่ามันไม่จริงที่ว่ามันไม่จริงก็คือหลังจากที่ตัวผมเด้ออกจากงานที่ฟาร์มก็ได้ไปทํางานที่ไต้หวันประมาณ3ปีที่นั่นจะว่าไปแล้วก็เหมือนกับประเทศไทยเพราะว่ามีคนไทยอยู่เยอะช่วงนั้นพอหยุดงานตัวผมก็จะไปเล่นที่ห้องของพี่อีกโรงงานนึงซึ่งห้องของแกนั้นมีคาราโอเกะแกเป็นคนอนุดร ที่พักของแกในโรงงานจะเป็นตึก2ชั้นโดยคนไทยจะอยู่ชั้นสองซึ่งจะแบ่งเป็นห้องใครห้องมันเหมือนหอทั่วๆไปแล้วก็จะมีห้องโถง ก, กับห้องครัวเป็นส่วนกลางผมชอบมาเล่นที่นี่เป็นประจำเพราะว่าเราได้ทำอาหารไทยกินกันประเภทเมนูเหลาส้มตำลาบขนมจีนอะไรพวกนี้วันนั้นผมได้นัดกับเพื่อนคนหนึงซึ่งเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยมัธยมและเขาก็มาทางานที่ไต้หวันเหมือนกันที่พักเขาห่างจากผมประมาณ30กิโลเมตร เขาออกเดินทางมาหาผมโดยผมนัดเขาว่าเจอกันที่ห้องของพี่คุณดุดรเพื่อนผมก็มาถึงประมาณหกโมงเย็นผมเองก็อันเชิญเข้ามาในห้องจากนั้นผมก็หาแผ่นคาราโอเกะเพื่อที่จะร้องเพลงกันซึ่งตอนนั้นเจ้าของห้องแกอยู่ในห้องถงข้างนอกแกไม่ได้อยู่ในห้องนี้ผมกับเพื่อนก็ว่าจะร้องเพลงรอแกไปเปพลางระหว่างที่ผมหาแผ่นคาราโอเกะอยู่นั้นผมกับเพื่อนก็คุยสารทุกสุขดิบกันไปด้วยแล้วจูๆ่ๆผมก็รู้สึก แ, แปลกมันมีอาการคลั่นเนื้อครั่นตัวคนลุก คล้ายๆเหมือนจะดนสะกดให้หลับไฟที่เปิดอยู่สว่างสว่างก็เริ่มสลัวเฮ้ยมันเป็นอะไรเนี่ยผมถามตัวเองไม่ยอมไม่ยอมสลัดหน้าให้ตื่นไฟมันก็สว่างขึ้นมาอีกสักพักก็เหมือนโดนครอบงำอีก ท, ทั้งที่เรายังรู้สึกตัวอยู่ไฟเดี๋ยวก็มืดเดี๋ยวก็สว่างมันเป็นอย่างนั้นอยู่ประมาณ4ี่ห้าเที่ยวผมก็ที่ฐานในใจว่าผมเองก็มาที่นี่บ่อยจนเป็นเหมือนห้องของตัวเองเจ้าที่ยังจําผมไม่ได้อีกเหรอครับสิ่งที่ผมอธิฐานถามนั้น เป็นแบบสองภาษาคือทั้งไทยและจีนด้วยที่ไม่รู้ว่าใครกันแน่ที่ออมเรอยู่หรือเมื่อทอี่ฐานเสร็จอาการครันเนื้อครันตัวก็หายไปผมรู้สึกสบายตัวไม่มีขนลุกผมหมดเรื่องแล้วผมก็จะร้องคาราวเกตต่อเลยหันไปหาเพื่อนสิ่งที่เจอก็คือเจ้าเพื่อนคนนั้นมันนอนหลับเพลิเลยรู้สึกโมโหจะด่ามันสัหน่อยว่ามันเพิ่งจะ6กโมงเย็นจะรีบหลับไปไหนก็เลยปลุกให้มันตื่นพอมันตื่นขึ้นมันก็กระโดดเข้ามากอดผมปากมันก็บอกว่า กูโดนผีอั้มเฮ้ยเย้กูโดนผีอั้ผมก็คิดในใจโอ้โหนี่เล่นคู่เลยเหรออั้ได้ทั้งทั้งที่ยังไม่หลับกับอีกคนก็ยังบังคับให้หลับได้ระหว่างที่กำลังอึ้งอยู่นั้นพี่เจ้าของห้องก็เดินเข้ามาผมก็เลยเล่าให้แกฟังทั้งหมดเลยพอแกได้ฟังแกก็โวยวายลั่นห้องเลยว่าน้องนุ่งมันมาเล่นห้องอย่ามาทำแบบนี้นะแกด่าใครก็ไม่รู้เหมือนเอาจริงเอาจังมากผมสงสัยก็เลยถามแกว่าเออพี่พี่ด่าใครครับแกก็หันมาบอกหน้าตาเฉย ว่าแกด่าเมียแกผมก็งงสิแกเลยบอกว่าเมียแกน่ะผูกคอตายที่ไทยและตามแกมาด้วยเพราะแกน่ะเป็นคนหลอสาวเยอะเมียน้อยใจเลยผูกคอตายผมก็เลยถามแกไปว่าพี่พี่ผีน่ะขึ้นเครื่องบินได้เหรอแกก็ตอบว่าไม่รู้สิแต่ก็เล่าต่อว่าบางทีแกก็เห็นหลังไัยวัยเดินเข้าห้องบางทีก็ได้กลิ่นน้ําหอมและแกก็รู้เพราะว่าเมียแกทําไมแกจะจําไม่ได้แต่แกก็ไม่ได้เล่าให้ใครฟัง เพากลัวว่าพนักงานคนอื่นจะกลัวกันนานๆครั้งจะมีสาวเวียดนามมานอนกับแกสาวเวียดนามก็มักจะมาบอกผมว่าไอ้ห้องเนี้ยมันมีอะไรแปลกๆผมเองก็ได้แต่บอกว่าไม่มีอะไรหรอกไม่อยากบอกเดี๋ยวก็จะกลัวกันหมดและพี่แกก็ยังเล่าอีกว่าสงสัยใจหึงสาวเวียดนามที่มานอนด้วยเวลาแกเปิดเพลงดังๆก็มักจะได้ยินเสียงออกไปออกไปมันเป็นเสียงตะโกนที่ทุกคนไม่รู้ว่าเป็นเสียงใครยกเว้นพี่แกคนเดียว แล้วแกก็ดันมาเล่าให้ผมฟังทีหลังนี่สิคิดแล้วมันน่าโมโหจริงๆถ้ารู้ก่อนผมคงไม่มาเล่นที่ห้องแกแน่ครับและนี่ก็คือเรื่องราวของคุณทันพิสิทธ์หรือคุณทัญญพิสิทธิ์ต้องขออภัยนะครับถ้าออกเสียงผิดกับเรื่องราวของคุณศักชัยยุบนลสายท่านสมาชิกทั้งสองผู้มีน้ำใจแบ่งปันเรื่องราวให้เราได้ฟังกันก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับเรื่องราวที่ท่านสมาชิกได้แบ่งปันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ